ปฏิบัติภาวนาต้องเอาใจใส่ทำจริงทำจังมาอย่างนั้นจะม่เห็นผลกิเลสมันไม่ได้ทาเล่นทำกับเรายันไหวเสือมมานับกลับนับกันไม่ได้แต่การทำความเสียงของเราแต่ทำเล่นๆไม่มีทางที่จะกำจัดอย่างกิเลสออกจากใจได้การปฏิบัติทำ การภาวนาก็คือการรักษาจิตของตัวการรักษาจิตไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติอยู่ทุกระยะเวลาการปฏิบัติจะให้จิตสงบจะให้จิตเยือกเย็นจะไปคิดตรงเรื่องนอกเรื่กว้าง เรื่องของตัวพราะเรื่องนอกนำความเดือดร้อนวุ่นวายปุ่งรุ ง, งต่างๆไม่มีทางที่จะเยือกเย็นเห็นความสงบสุขให้ต้องรวมจิตระวังใจของตัวคนอื่นสัตว์อื่นเรื่องอื่นนอกจากจิตมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรหากเรามี ปัญญาพิจะระารณาขับไล่ถ้าหากเราไม่มีปัญญามาปฏิบัติก็คิดตั้งใจเรื่อง น, ญญนกงอกเรื่องคนอื่นสัดอื่นเรื่องต่งตงางๆนานาแบบนั้นไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระ ง, งับให้เรื่องของจิตยิ่งคิดเท่าไรก็ยิ่งไปกันใหญ่เดือดร้อนวุ่นวายตัวเองก็ไม่สบายคนอื่นก็ขัดข้อง ดันั้นจึงรักษาจิตของตัวเองจิตคิดไปจุ่มไปในแง่ทางนอกเข่นไปอิจฉาเ <c oughs> บียดเบียนคนอื่นเหยียดย่ําทําลายคนอื่นคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาดูหมิ่นนินทาเราอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องจิตคิดผิดคิดชั่วตัวเองได้รับทุกเพราะ คิดไปเทไรก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีทางสงบระงับให้ผูกภาวนาผู้ปฏิบัติพอจิตคิดปรุงขึ้นอย่างนั้นก็ทราบว่าอันนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ความสงบของใจหักห้ามเอาไว้ไม่ให้คิดให้ปรุงเรื่องออกไปข้างนอกตัวเองจะทราบเรื่องของเขา เขาชั่วเขาเสียก็เป็นเหลืองของเขาจะได้รับทุกข์รับโทษเขาดีมีสติปัญญาก็เป็นเหลืองของเขาจะได้รับความสุขความสงบความเย็นเย็นของเขาเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องตัวของเราจะควรรักษาตัวของเราให้สงบระงับได้อย่างไรเป็นหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติทุกคนอย่าต้องสนใจต้องดูภายในอย่าไปดูภายนอกถ้าไม่ดูภายในไม่เห็นภัยเกิดขึ้นจากจิตของตัวคนนั้นจะไปปฏิบัติหรือปฏิบัติอยู่ก็ไม่มีทางที่จะสงบระงับให้มีแต่ใจจะวุ่นวายก่อควนตัวเองติดของกับอารมณ์ทั้งยาอาดีตอนาคตเลื่อยไป นี่คือทางรักษาใจทางที่จะให้ความสงบของใจทางที่จะให้ความสุขแก่ใจรักษาใจของตัวโดวยตัวเองความชั่วความเสียมันมีตามสมมติในโลกมันมีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีแต่มันมีอยู่เราก็หลีกมันไปเว้นมันไปสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตัว ดีมันในครบกับมันในเกี่ยวกับมันเหมือนกันกับเราทานอาหารธรรมดาอาหารดูดก้างมันก็ต้องมีถึงก็ทามาสำเร็จรูปมาในถ้วยในจานในซามหากเราไม่เลือกออกไฟริงได้ก็จะทานหมดก้างหรือกระดูกก็จะจิตปากผิดคอของเราในรับทุกรับโทษชั้นใดเรื่องของโลกกว่าชั้นนั้นเราผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อความฉลาดเพื่อความรอบคอบเพื่อความสุขความสงบของตัวอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องชั่วเรื่องเสียของคนอื่นให้ดูแลรักษาจิตของตัวจิตของตัวเมื่อเราดูแลรักษาไม่คิดให้ปรุงไปในทางนอกรักษาเอาไว้จะพิจารณาธรรมะอะไรจะพิจารณาอยู่นั้นจะบริกรรมอะไรกับบริกรรมอยู่นั้น มันก็มีวันสงบให้มีวันสุขให้มีวันปลอดภัยมีวันเจริญถ้าหากไม่รักษาอย่างนั้นเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกจะต้องหาสากขวบเปื่อนผงมาอยู่รวมกันเมื่ออยู่ร่วมกั น, กนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มีแต่คิดแต่ปรุงว่าเขาไม่ดีเขาเบียดเบียนเรากาอิจฉาเราอย่างนั้นอย่างนี้ จิตแบบนี้ไม่มีวันที่จะสงบระงับไม่สมเขาว่าเรามาประพฤตปฏิบัติมารักษาอารมณ์สัญญารักษาใจของตัวถ้าปล่อยไปแบบนั้นมากเท่าไรก็ขัดข้องยุ่งเหยิงเท่านั้นถ้าอยู่คนเดียวก็บนเราไม่มีเพื่อนฝูงทักพวกที่จะพูดจะคุยที่จะปรึกษาสนทนากัน ถ้ามีถ้าควบขวันฟูงมาก็หาว่าหัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเรื่องนอกออกไปอย่างนั้นให้ดูภายในของตัวให้มองคนในแง่ดีอย่าไปมองใ่แง่ชั่วถ้ามองในแง่ชั่วตัวของตัวเองก็ชั่วตัวของตัวเองก็เสียแต่ชั่วเสียของตัวเองตัวเองจะต้องสําระชั่วเสียของคนอื่นก็เป็นหน้าที่ของเขา พอเราทุกคนมาปฏิบัติไม่ใช่มากหอบหาบเอาสัญญาอารมณ์ไน ม, มาสะสมกิเลสมาเพื่อจอปะปฏิบัติสำาัะจิตที่ยึดถือต่างๆแต่อดีตมามาสำาัะจิตใจที่ยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆให้ว่างให้เบาออกไปนี่คือผู้ปฏิบัติใจ เผื่ออัดเผื่อทําจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นมาอย่างนั้นอยู่คนเดียวกว็ขัดข้องอยู่กับพวกควอมเผื่อนฝุงก็ยุ่งเหยิงเลยไม่มีโอกาสเวลาจะสงบระงับภาวนาที่ไหนก็ไม่สะดวกไม่สบายให้เพราะใจของตัวเองมันชั่วมันเสียให้จำหนี้เหลื่องใจของตัวเองรักษาใจของตัวเองจึงจะได้เชื่อผูกภาวนาผูกละชั่ว ลากิเลสถ้าไม่เห็นเรื่องของตัวแล้วการจะแก้ไขขับไล่ความชั่วเสียมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เพราะไม่เห็นเหตุของมันผลที่มันเกิดขึ้นมาก็คือความไม่พอใจความไม่สบายใจความไม่สงบระงับให้เกิดทุกเกิดโทษแก่ตัวของตัว นี่คือผลความชั่วความเสียที่ไม่รักษาใจแต่รักษาใจของตัวได้เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องดีเรื่องชั่วทั่วโลกมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราทราบเราอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับมันอย่าไปตะคุบเรื่องเหล่านั้นมาเป็นของข้องตัวมันเกิดขึ้นกับจิตคิดนึกคอยทราบเรื่องของมันว่ามันคิดนึกแบบนี้มันเบียดเบียนตัวเองไม่ใช่มันจะ นำสุขนำประโยชน์มาให้จะต้องทราบขณะที่มันปรุงขึ้นคิดขึ้นจะต้องมีปัญญาขับไล่อารมณ์ปัญญาออกจากใจใจจึงจะสุขใจจึงจะสงบให้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกอยู่ในป่ามันก็ไม่ถูกอยู่ในบ้านมันก็ไม่ถูกอยู่คนเดียวมันก็ไม่ถูกอยู่กับพรกบควเพื่อนฝูงมันก็ไม่ถูกเมื่อมันไม่ถูก มันเป็นทุกข์เป็นโทษท่านจริงไหมทีนี้พิจรารณาจงรวมระวังใจของตัวมันคิดมันปรุงอะไรเรื่องที่จะเป็นคิดเป็นภัยให้โทษให้ทุกข์แก่ตัวและคนอื่นรีบกาจัดไม่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะประสบพบาเขียนธรรมะคือความสงบสุขเราต้องพิจรารณาต้องรักษาใจของตัว เพราะการงานเรื่องอื่นภายนอกไม่เป็นเรื่องสำคัญไม่เป็นงานใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหญ่ก็คืองานรักษาใจของตัวงานปฏิบัติใจของตัวงานกําจัดกิเลสเป็นงานใหญ่ใครทำหน้าที่งานนี้ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆความเบาบางของกิเลสตัณหาภายในใจ จะนับวันเบาไปสบายไปถึงไม่มีอะไรภายนอกมันก็สุขกาสบายเพราะจิเลียดไม่ก้อควรวุ่นวายจิตใจของตัวเองไม่อย่างนั้นได้อะไรมาก็กาเกิดทุกเกิดโทษอยู่เรื่อยแลยไม่มีความสุขความสงบให้พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญการปฏิบัติกำจัดจิเลียตันหาพระพุทธเจ้าสรรเสริญถึงไม่มีอะไรความรูปความ สลาบทันโลกเขาขอตามแต่เขาให้ทันกิเลสของตัวมันชั่วมันเสียจีไหนจะต้องขับไล่จะต้องกําจัดทำจิตทำใจให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงทุกอย่างทางชั่วที่ควรละรีบสำระสะสางออกไปทางดีที่จะนำความสุขความสบายมาให้รีบทำรีบบาเพ็ญให้เห็นให้รู้ในตัวของตัว นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสัพพะปาปาัสสะกัลลาังพุจระสู้กับสัมปชาหมายถึงว่าบาบชั่วต่างๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรานับถือกันที่ล่วงไปแล้วนับหมื่นนับแสนไม่ได้ก็มาสอนคำเดียวกันคือสอนให้ละบาบละชั่ว บาปชั่วนั้นโดยมากไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของบุคคลกายใจนี้เป็นที่เกิดที่ตั้งของบาปของชั่วถ้าหากไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะรักษามันจะต้องชั่วต้องเสียอยู่เป็นธรรมดาของมัน ไม่ว่าใครทั้งหมดเกิดมาในโลกนี้พรอมีจีเลตตัญหาเพราะมีบาบมีชั่วจึงมีพบมีชา่างผาหงหมดเรื่องบาเรื่องชั่วจิตบริสุทธิ์จิตเป็นมีมุตพนไปจากโลกจากลงสารพวกเหล่านั้นก็ไปปริินิพพานกันหมดไม่มีการก่อพบก่อชาติเหมือนพวกเราพวกเราที่มาเกิดก็แสดงว่ามีบาบมีชั่ว แล้วการปฏิบัติละบาปละชั่วส่องอาศัยธรรมะส่องอาศัยกติส่องอาศัยปัญญาดูแลรักษาจิตของตัวถ้าหากไม่เห็นโทษของบาปของชั่วมันกลละไม่ได้ถือว่าบาปชั่วเป็นของดีมีคุณค่าอิจฉาคนนั้นด่าคนนี้เบียดเบียนคนนั้นโกรธคนโน้นถือว่าเป็นข้องดิบข้องดีแต่ตัวเองก่อ เป็นทุกข์เพราะจิตไม่ปกติจิตปรุงจิตคิดอิจช้าพยาบาทใส่สําัะสะสางจิตใจนี่คือผู้ปฏิบัติทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสภาพะปาปัสสากะระนังสำละมันออกไปทาลายมันออกไปความชั่วความเสียของกายของใจอย่าไปสงวนเอาไว้อย่าไปรักษาเอาไว้อย่าไปถือว่ามันจะนา ความดีมาให้บาปชั่วต่างๆมีแต่ใจนำทุกข์นาโทษมาให้เท่านั้นปู่สารสูไปทั้งป่าทางให้ทําความดีคิดในทางที่ดีพิจารณาในทางที่ถูกผู้ถิอพิจารณาความดีทาความ ด, ามดีรักษาจิตของตัวไม่ให้ชั่วให้เสีย แต่ากุจะละตูระสัมปทาคือความฉลาดยังความยังกุศลให้ถึงพร้อมกุศลก็คือความฉลาดของใจกูฉลาดเท่านั้นจึงจะอยู่เป็นสุขอยู่ในโลกถึงโลกอันนี้จะสมบูรณ์อยู่ด้วยดีชั่วกอตามแต่ก็มีปัญญาที่เนะจนาําระจึงที่ชั่วออกไปจากกายจากใจของตัวสะสม ความดีสติปัญญาเอาไว้ให้ใจรู้เท่าเข้าถึงเรื่องความจริงทุกอย่างไปแล้วใจจะไม่เกาะไม่อาศัยในสมมติต่อไปเพราะใจเห็นตามเป็นจริงทุกอย่างกูที่ฟังทรรมของพระพุทธเจ้าที่ถันแนสอนว่าบาปควรชำระกุศล ควรจะทำควรจะต้องดูที่ตัวค้องตัวดูที่กายที่ใจค้องตัวที่มันชั่วเรามาประพฤติปฏิบัติเราได้กําจัดออกไปหมดหรือยังมันยังอยู่ที่ไหนก็ ร, รีบตั้งใจกําจัดขับไล่ออกไปไม่ว่าจะเกิดจากกายจากวาจาจากใจต้องมีสติรู้เมื่อเวลามันเกิดขึ้นหรือพูดออก หรือทาไปมีปัญญาพิจัยนะแก้ไขอย่าให้มันติดมันข้องในเรื่องความชั่วให้รู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่ได้หลับได้หลงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติกำจัดชั่วบาเพ็ญดีและจิตของคนนั้นจะผ่องใส ใส่จิตตาปริโยธาปนังคือจิตจะผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์สุขสงบถ้าเราทำได้พิจารนาถูกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงพวกเราเกิดมาก็ไม่ประสบพบเห็นถ้ากายของ่านยังเหลือแต่ทำที่ในถ่า น, นั้นที่สานสอนเอาไว้ให้พวกเราตั้งใจปฏิบัตริรักษา เมื่อเราพบธรรมดีในของพระพุทธเจ้าและตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านถึงท่านจะปรินิพานไปก็ไม่มีอะไรจะเสียหายปรินิพานแต่กายของท่านเท่านั้นความดีชั่วผิดถูกความบริสุทธิ์ยังอยู่ในโลกผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รักษา จะต้องเห็นส่องเป็นในจิตในใจของคนนั้นถ้าปฏิบัติถึงขั้นถึงที่จริงจังแล้วไม่มีทางสงสัยจะทราบดีพรูพใทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรสาวกสิบพลนไปจากกิเลสเป็นอย่างไรจะไม่มีอะไรสงสัยในอดีตที่ผ่านมาไม่ทราบว่ากี่แสนกี่ล้านปีเป็นอย่างนี้เหมือนปัจจุบัน พอใจของคนนั้นบริสุทธิ์และผู้ที่บริสุทธิ์มาในอดีตก็ทำนองเดียวกันนี้ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของตัวผู้ปฏิบัติไปในอนาคตทางหน้าถึงเราลวมตายหายไปก่อตามเมื่อเขาไปสบพบเห็นก็จะเป็นอย่างนี้จึงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบัน ขิจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างไรอดีตอนาคตปู่จิสันเห็นทันเป็นก็ทํานองเยวกันไลยหมดสงสัยนี่คือการปฏิบัติใจของตัวเพื่อเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วการปฏิบัติจะไปปฏิบัติเมื่อไรถ้าเราไม่ปฏิบัติเมื่อยังมีลมหายใจเป็นอยู่เท่านั้นตายไปแล้วจะไ ป, ไปปฏิบัติที่ไหนได้ ความชั่วความดีมันแสดงอยู่ทางที่จะทำระทางที่จะบําเพ็ญมันยังมีอยู่เพราะจิตของเรายังรับรู้เรื่องชั่วเรื่องดีแต่จิตของเราข้ามไปได้ทุกอย่างอันนี้เป็นส ม, มตุติไม่ว่าดีหรือชั่วความมารู้สมมตุติความบริสุทธิ์ของใจก็ทราบดีอยู่แล้วจะไปไปฏิบัติแก้ไขอะไรเหมือนกันกันกบคนทานอาหารอิ่มแล้ว จะไปทานอะไรอีกได้มันอิ่มแล้วถึงอาหารจะมีอยู่กว็ไม่ทานเพราะเหตุใดเพราะมันอิม่มนี่เรายังไม่อิม่มเรายังรับอยู่ชั่วก็ดีดีกว่าดีจิตของเรายังรับยังสัมผัสจึงต้องมีสติมีปัญญาที่นี้ที่เจรณาเรื่อยไปรักษาเรื่อยไปใจไม่ดีใจวุ่นวายใจเดือดร้อนมันไม่เป็นสุข จะอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นสุขอยู่กับถ้ากวเผื่อนฟูงมันก็ไม่เป็นสุขอยู่ในบ้านมันก็ไม่เป็นสุขอยู่ในป่ามันก็ไม่เป็นสุขท่านจึงให้ปฏิบัติพอมีทางที่จะปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยสาต่างใจที่นีพิจาจรณานะจะชำระตัวของตัวจะทำตัวของตัวให้สงบทำตัวของตัวให้เกิดสุข นะักปฏิบัติทุกคนจะต้องสนใจต้องดูภายในอย่าไปดูนอกอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมายุ่งเหยิงกับการปฏิบัติเอาเรื่องของตัวเองที่มันมีอยู่เป็นอยู่นี่แหละประพฤติปฏิบัติถ้าดูภายในสังเกตภายในมันจะเห็นมันจะเข้าใจถ้าดูภายนอกนะับวันไปออกไปจากธรรมะ เลยวุ่นวายขัดข้องเรื่อยไปการปฏิบัติสําคัญอยู่ที่สติสําคัญอยู่ที่ปัญญ า, าเราไม่รักษาตัวของเราจะให้คนอื่นเขาเป็นที่ขารักษาให้มันไม่มีทางการปฏิบัติจิตใจก็เหมือนกันกับเรื่องของโลกคนอื่นเขาทานก็เป็นหน้าที่ของเขาจะมีความอิ่ม เราถึงจะนั่งชิงกันอยู่กว่าตามก็ไม่วันมีวันอิ่มให้แต่เราทานหรือตัวของเราเองเปรี้ยวหวานเผ็ดมันอะไรเราจะทราบความอิ่มเราก็จะทราบว่ามันเป็นอย่างไรมีการปฏิบัติภายในก่าทานองเดียวกันจงต่างหน้าต่างตาที่นี้พิจารณาต่างหน้าต่างตาศึกษาต่างหน้าต่างตาทำลายกิเลส พอบวชมาชำระกิเลสบวชมากําจัดกิเลสปฏิบัติเพื่อความผลทุกคนโทษไม่ปฏิบัติเพื่อความสะสมกิเลสตัณหามานะกิดชิดสาธุคนสนใจในตนของตนสนใจในการประพฤติปฏิบัติมันไม่มีการกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นหมื่นเป็นพันมันก็สะดวกสบายเพราะ ทิดถิความเห็นตรงกันแล้วตัวองตัวไม่ชอบความชั่วความเสียอย่างไรกำจัดทับไล่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากใจหรือจะออกมาภายนอกสู่กายสู่วาจาเมื่อตัวองตัวไม่ชอบความชั่วความเสียทําลายสสารอยู่อย่างนั้นจะไปเกี่ยวข้องพัวพันกับคนอื่นทำไม คนอื่นเขาจะได้รับทุกข์รับโทษเพราะเราไม่สังวรระ ว, วงังกายวิจาใจของเรานั้นมันไม่มีพอเราสั้งวรอยู่ตลอดเวลารักษาอยู่ทุกระยะชั่วเสียที่เกิดมาเราไม่ปราถนาเราขับไล่มันไม่ให้มันแสดงออกเพราะสติมีปัญญามีสาสดีแบบอันนี้มันชั่วมันเสียนี่ที่ไหม เห็นไมมเป็นอย่างนั้นเพราะขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอยากจะให้มันดีมีความสุขอยากจะให้มันเป็นไปตามใจของตัวชอบอะไรในโลกมันเป็นไปได้แต่กายของเราเรายังบังคับไม่ได้จะให้มันสุขมันสบายไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ให้มันเหื่อยมันหิวมันเป็นไปได้ไหม ไม่เห็นมันแก่มันตายมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้คนอื่นทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอะไรหร่ะมันขัดข้องกว่ใจของเราขัดข้องใจของเรายึดถือแบบอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้จึงควรสําระใจควรกําจัดใจที่ไปเกี่ยวข้องยึดถือในสิ่งเหล่านั้น ที่ชั่วที่เสียออกไปหายใจเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่รูปก็ดีเสียงก็ดีเรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมามันก็มีอย่างนี้เราตายไปมันก็มีอยู่อย่างนี้คนหลงเท่านั้นที่จะได้รับทุกข์รับโทษจากสิ่งเหล่านี้คนรู้ทั่วไปท่านเองได้เอามาหนักใจ ในเี๋เอามาเขาใจของท่านท่านจึงอยู่ด้วยความสุขความสงบเราต้องการความสุขความสงบไหมหรือต้องการความวุ่นวายความเดือดร้อนตรวจตาที่เจนาสอนใจของตัวนี่คือการปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเพียงเดินเที่ยงนั่งเป็นกิริยามารยาทแต่จิตอาฆาตเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่น ลงไปตงแต่แข็งแนอ่อยากจะให้เขาสัานไลเสริญเยนยออยากจะให้เขาเคารพกาวาดอยากจะให้เขาเลื่อมใสศรัทธาในตัวของตัวแต่ความชั่วความเน่าความเหม็นของตัวไม่เคยกําจัดขับไล่เด็กใครเล่าเลยรับความสุขความสงบความสันไละเสริญเยนยอจากคนชั่วคนเสียแบบนั้นมันไม่มีตัวของตัวเอง กว่ายังจำหนิว่าไม่ควรจะโกรธจะโลภจะหลงอย่างนี้ตัวของตัวเองกว่าทราบว่าผิดชิดที่พูดที่ทํามันไม่ดีแเราจะให้คนอื่นเขาเลื่อมใสเต็มใจศรัทธาอย่างไรตัวของตัวยังไม่เต็มใจศรัทธายังตําหนิตัวของตัวดั้งตรวจตาพิ่เจนาภายในดูจิตดูใจของตัวสําระ ชั่วบอมเพนดีอยู่นี้พะธรรมะอยู่นี้ไม่มีอยู่ที่อื่นดูอยู่นี้สังเกตอยู่นี้พิจารณาอยู่นี้ปฏิบัติอยู่นี้มันดีมันชั่วมันจะทราบเพราะจิตใจนั้นสันถือว่าเป็นผู้รู้เป็นพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานไม่ได้หลับ ไม่ได้หลงดีชั่วมันเกิดขึ้นรู้เข้าใจถ้าหากปฏิบัติภาททยในดูใจของตัวเองสังเกตตัวของตัวเองอยู่ผู้นั้นแหละเป็นผู้ปฏิบัติคือผู้มีสติมีปัญญามีความเพียนเกียรติธรระชั่วต่างๆให้ตกออกไปใจที่ของจิตคิดปรุงหักห้าม ด้วยสติตด้วยปัญญาของตัวดูภายในดูใจอยู่ตลอดแล้วความดีคําชั่ว้างนอกมันจะไหลเข้ามามันก็เข้ามาสู่ใจของเราไม่ว่าตาเห็นหูได้ยินทวานิสัมันเข้าเราก็ทราบว่ามันเข้ามาจากทางไหนใจมันไปหลงคิดจิตของไฟฝันในเรื่องต่างๆ มันเกิดขึ้นจากภายในทั้งนั้นเมื่อดูภายในรักษาภายในมันจึงทันกับเหตุการณ์ผัวกไปเมื่อใจของเราไม่ได้ไปคิดข้างนอกถึงยังไม่สงบระ ง, งับคนทุกข์ก่าตามแต่ก็มีวันเวลาที่จะเห็นจะเป็นไปได้ เหมือนกันกับเราทานอาหารเราทานอยู่ความอิ่มไม่ต้องเรียกร้องมาในวันใดก็วันหนึ่งไม่ทีใดก็ที่หนึ่งมันจะอิ่มขึ้นให้เราเดินไปอยู่ระยะทางมันจะไกลแสนไกลแต่เราเดินไม่หยุดมันก็มีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ไม่ทำอะไรอยากจะให้ถึงจุดหมายปลายทางอยากจะให้สำเร็จสิ่งที่ตัว ้องการปรารถนาไม่ทามันไม่สำเร็จไม่ไปมันไม่ถึงไม่ามฝั่งนั้นจะขามมาหาเราไม่มีทางจะร้องไห้น้ำตาเป็นเลือดก็ไม่มีทางคนอยากจะข้ามน้ำนั่งอยู่ยืนอยู่บนอยู่ในฝั่งนี้เมื่อไรฝั่งนั้นมันจะมาหาเราเราจะถึงฝั่งนั้นมันไม่มีทางให้ถ้าเราลง ห้ามไปไหวไปนั่นก็มีทางถึงฝั่งได้มีการปฏิบัติทำละใจก่าทำนองเดียวกันอย่าไปนอนใจตายใจอย่าไปคิดว่าสิ่งอื่นมันจะดีจะวิเศษให้ยิ่งกว่าการทำละใจการทำความเขี่ยนของสุวถ้าเราทำอยู่ด้วยสติด้วยปัญญา มีศรัทธาตั้งมั่นในการที่นิพิจารณาสำราญจิตของตัวปัญญามันจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทำอะไรไม่พิจารณาอะไรไม่มีความเชลยนทางใจปัญญามันไม่เกิดหมั่นที่นิพิจารณาสาสาง ใจนากายใจนาใจของตัวอย่าไปคิดเรื่องนอกยิ่งกว่าเรื่องในคนที่สั่งหน้าตัางตารักษากายวาจาใจด้วยวสติด้วยปัญญาของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาคนนั้นไม่เป็นภัยอันตรายแก่คนอื่นและไม่มีภัยอันตรายแก่ตัวเอง ตัวตาที่เจนนาแล้วเราไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรเราจะไปเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเขาจะจิตชินนินทาด่าว่าก็เป็นลมปากของเขาตัวพวงเราดีอยู่อย่างไรเราทราบจึงไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเราทานอาหารอิม่มเขาว่าเราหิวขนาดไหนเราก็ทราบดีอยู่ว่าเราอิม่มเราไม่ได้หิวย่างลมปากเขาว่า นี่การทำดีโดยกายโดวยวาจารโดยใจมีสติรักษามีปัญญาเนีย่ยสอนตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทราบว่าเขาดูมินนินทานั้นเป็นความเห็นของเขาเข้าไม่ถึงจิตใจหรือการกระทำของเราแล้วเราจะไปเสียใจอะไรกับเขาคนแบบนั้นมันก็เหมือนกัน คนบา้าหรือเหมือนปากหมาไม่ว่าพระวหวเจ้านายหรือโจรขโมยมันก็เห่าเราจะเอาอะไรกับมันถ้าเราทราบอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงจังมันจึงจะวางได้ต่อยได้เกื่อวความยึดความถือของโลกต่างๆต้องพิจารณาภายใน ตรวจตาพิจารณาดูกายดูใจของตัวเขาสันระเสริญจึงจะไม่ตื่นเต้นเขาเย็นชาจึงจะไม่เสียใจเพราะความเปลี่ยนไปภายในเป็นอย่างไรเ่าทร า, าบอยู่ในตัวของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาอย่างนั้นให้จิตใจเป็นอย่างนั้นให้คอาใจตามเป็นจริงอย่างนั้น ถ้าหากยังยึดมั่นถือมั่นยังสงสัยลังเลในใจตัวปฏิบัติเรื่อยไปจนใจเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะไม่มีอะไรที่จะมาก่อทุกข์ก่อโทษถึงกับใจอีกเพราะความจริงนั้นเป็นอริยสัจอริคือข้าศึกยะคือไปสัจจะคือความจริงไกลจาก ความชั่วความเสียไกลจากข่าศึกที่จะมารบควนจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนขัดของต่างๆนาัน า, นานผู้ประพฤติปฏิบัติท่านเห็นท่านเป็นมาแล้วทันจึงได้นำมาสอนไม่ใช่ว่านำตำหลับตำลามาสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนจากสําหลับตำลาสาวกก็ไม่ได้เรียนจากตำหตำลำหับตำลาที่ไหนพะใจของท่านเห็นเป็นรู้อย่างนั้น พันนำมาสอนนี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะมีการปฏิบัติมีการทดสอบทีนี้พิจรารณาถ้ายังไม่เป็นไม่เห็น็รีบกกระทำบำเพ็ญเรื่อยไปจนให้มันตายใจไะไว้จิตใจระยะนี้ไม่มีอะไรที่จะชำระที่จะบำเพ็ญอีก ให้มันเห็นมันเป็นไปจากในตัวทางสําระเราไหนสําระเต็มกำลังความสามารถของเราจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ชั่วเสียทางจิตทางใจไม่มีอะไรจะมาลบกวนอีกเพราะทุกอย่างที่เป็นสมมุติเราราบผ่มาทราบที่ว่าวิมุติ มันเข้าใจในตัวของเรามันจริงไม่มีอะไรที่จะมีสะพานไปผ่าดถึงกันอีกเพื่อมันขาดออกจากสมุิถัดจรงเรียกว่ารมุดมันไม่ติดต่อกันทาบดีว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเลยเป็นคนละส่วนละอัน เมื่อยังมีธาตุมีขันมีชีวิตอยู่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติต้องพูดต้องทําตามสมมติของเขาแต่จิตผููบริสุทธ์นั้นเป็นอย่างไรทราบได้เฉพาะเราผููประพฤติปฏิบัติเท่านั้นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามสมมติอีกนี่คือการประพฤติปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางเป็นอย่างนั้น อดีตที่ผ่านมากี่หมื่นกี่พันปีก็ทำนองนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนี้อนาคตที่จะเป็นไปทางหน้าไหมสักกว่ากี่แสนกี่ล้านปีคนที่รู้ที่ข้าใจในธรรมควาจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรที่จะสงสัยถ้าหากมันเห็นมันเป็นในใจการปฏิบัปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสาคัญในควร จะให้เขาสมมติว่าเป็นนักปฏิบัติเท่านั้นให้มันเห็นมันเป็นในจิตในใจให้มันได้มันมีอยาให้มันอดมันจนเรื่องอาจเรื่องทำรรเรื่องโลบเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องเจริญกันหามากไม้กายกองทับผมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็สะสมได้ นักปฏิบัติที่เต็มไปด้วยวิเลตตันหามานะทิฐินักปฏิบัติอย่างนี้จะควรสรรเสริญที่ไหนผันเจียงไห้กำจัดขับไล่ออกไปจากกายจากใจของตัวเรียกว่าสภาวาภาษากระนังคือสําระมันไปสสาง ม, มันไปทำลายมันไปกาย บายใจยใจที่ชั่วอย่าให้มันคิดให้มีสติให้มีปัญญาคือมันคิดมากกว่าให้ทราบว่าเป็นของใหม่ดีมีคุณค่าอะไรอย่ควรทีจะกว่าอยเอาไว้เพราะมันเกิดทุกข์เกิดโทษจะต้องรู้ต้องเข้าใจจริงจังมันจริงจะชำระสาสางได้เก่ยความชั่วเสียต่างๆ พระพุทธเจ้ า, าสอนเพื่ออยากจะให้พวกปฏิบัติสัตว์โลกคือผูกข้องจิตอยู่ในสมมุติในสังสารวักยในขามฝนไปจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ชั่วที่เสียนี้ได้ถึงกายจะยังอยู่เป็นรูปเป็นนามผุดจาปลาไสไปมาได้ แต่จิตใจให้บริสุทธิ์โดยการประพฤติปฏิบัติโดยการชำระสาสางอย่าไปคิดว่ามันหมดการหมดสมัยกิเลสไม่หมดการหมดสมัยเหมืออะไรมักผลไม่มีการไม่มีสมัยเหมือนกันไม่หมดการหมดสมัยเหมือนกันเรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่มันก็เกิดขึ้นได้ราชาตัญหามานาทิฏฐิต่างๆ ธรรมะกับธรรมนองเดียวกันแต่เรามีสติมีปัญญาพิจารณามันมันก็มีทางสราระได้มันเกิดขึ้นไม่ใช่มันเกิดเล่นไม่ใช่มันทาเป็นพิชีเรื่องยิเลใหตัญหาต่างๆนานามันเกิดขึ้นเป็นพิษเป็นภัยแย่กายแย่ใจของตัวจริงๆจริงๆจงแล้วการประพฤติปฏิบัติขับไล่ จะทำเป็นพิธีเท่านั้นมันจริงไหมสมเหตุสมผลกันต้องทำจริงทำจังเสือกํำจัดขับไล่ให้มันตกออกไปยิเลดกับทำก็เหมือนน้ำตกไฟถ้าไฟมันมากน้ำเพียงกระ บ, บวยเดียวซองมือเดียวไปดับมันกม็มีทางดับได้ นี่ใจมันจะเหยียดแห่งไปเท่านั้นเพราะไฟมันมากฐาน้ำมันมากะไฟมันจะร้อนขนาดไหนฐาน้ำมันมีจํานวนมากมันก็ดับได้พอนเป็นข้าสืบกันนี่ธรรมะกับกิเลสตัณหาขอทํานองเดียวกันถ้าคนมีกิเลสตัณหามากก็เหมือนไฟมันมากเรื่องธรรมะมันจะไม่เกิดขึ้นจะไม่ เห็นจะไม่เป็นจะไม่เย็นไม่สุขมีแต่เรือร้อนวุ่นวายอยู่เรื่อยๆหาความสุขความสบายไม่ได้ก็แสดงว่าคนนั้นมันมีราคาตันหามีมานะทิฐิมีฝ่ายชั่วฝ่ายต่ําฝ่ายกิเลสมากมันจึงหาความสงบหาความเย็นเย็นไม่ได้หาความสุขความสบายไม่มีไม่ต้องตัวตาพิจารณาที่อื่นพิจารณาที่จิตของตัว มันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นทําอย่างไรมันจึงจะสงบทําอย่างไรมันจึงจะสุขจะสบายเราก็ต้องหมั่นพิจารณามีสติมีปัญญาแนสอนสอนจิตของตัวที่มันชั่วมันเสียเผื่อให้มันสำลระเผื่อให้มันเห็นว่ามันเป็น ไทเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นโทษเราเคยจิตตามคิดปรุงทำพูดมาเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นจะสุขจะสบายให้นอกจากใจเกิดทุกข์เกิดโทษอุ่นวายขัดข้องในตัวเองเท่านั้นหากเรายังฟ่าฟืน้นรับเอามันไว้มันก็จะเป็นไทยอันตรายอยู่เรื่อยไปเราจะต้องกำจัดขับไล่ด้วย ปัญญามันพอพิจารณาได้ถ้าคนมีปัญญาถ้าคนมีธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะมันพิจารณาไม่ได้เรามาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราเกิดธรรมะเกิดปัญญาเพื่อให้เห็นแจ้งเข้าใจจริงในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันไม่อย่างนั้นมันก็จะไปหายสงสัย จะวุ่นวายอยู่เรื่อยไปการที่เจนาธรรมะการมีสติปัญญาผ่นจริงว่ะเป็นผู้ทำความเพียรคือเพียรละและเพียรมําเพนถ้าขาดสติขาดปัญญาถึงจะทำท่าเดินจงกรมภาวะนาะหลับตาอยู่สถานที่ใดมันก่อไหมเป็นผู้ปฏิบัติให้ เพาะไม่ไระวังทั้งมาวนใจของตัวปล่อยให้สัญญาอารมณ์เกิดขึ้นหรือไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือไหลมาโดยส่วนใหญ่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหาไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาที่จะแก้ไขกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นวิปัสสนาภายใน มันไม่เป็นอย่างนั้นคิดไปเหมือนกันแต่คิดไปในทางแกะทางไขทางำํำระกายใจของตัวจากความชั่วความเสียเหมือนกันกันกบเอาน้าที่สะอาดซักฟอกเสื้อผ้าก็มีโอกาสเวลาที่จะสะอาดได้แต่ถ้าเอาน้าเน่าน้เหม็นของปะจิกูลมาซักฟอกมันจะมีวันเวลาสะอาดสะอาดได้ไหม กินไอของมันจะหายไปได้ไหมนีม่แต่จะสกระปเลื่อยไปนี่จิตใจของเราถ้าไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะก็ททำนองเดียวกันอารมณ์สัญญามันมีแต่มันก่อติดก่อข้องก่อควรรับทุกข์รับโทษเพราะเราเอาน้ำสกกระปกมาชำระมันย่งไม่ออก หาน้ำสะอาดมันออกถึงมันจะสกกระโปรกมาขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะหายจากสกกระโปรกได้หยุดใจของมนุษย์เราทุกคนก่อททำนองนั้นมันสกกระโปรกมา ก, ก่อนทั้งนั้นถันที่บริสุทธิ์ท่านก่ออาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของท่านประพฤติปฏิบัติสำละมาจนบริสุทธิ์ปุดผ่องเป็นสาระของโลก เราผู้ประพฏิบัติ <c oughs> เหมือนท่านจะไม่เห็นไม่เป็นอย่างท่านนั้นอย่าไปสงสัยจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจท้องตนเหมือนกันเพราะสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันคนเกิดในสมัยนั้นก็มีแก่มีตา ย, ตายคนเกิดสมัยนี้ก็มีแก่มีตายเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันกั้งวันกลางคืนอันเดียวกัน เดือนปีนาะทีมองอันเดียวกันความดีความชั่วมันมีเหมือนกันเราจะถือว่าสมัยนั้นคนเบาบางสมัยนี้คนมดนะืดหนาก็เรื่องของเราตีไปคิดเอาต่างหากหากเราประพฤติปฏิบัติแล้วสติมีปัญญามีเรื่องกิเลสตัณหามันก็หายหน้าหายตาไปเหมือนกันกับเราตามไฟขึ้น ถึงมันจะมืดขนาดไหนอำนาจของไฟมันเป็นของสว่างมันก็กมจัดความมืด อ, ออกไฟไม่ต้องคับไล่มันก็ออกไฟ